ตั้งใจว่าจะแต่งงานแล้วจะไปอยู่เอาบ้านนี่แหละไปเรือนหอท้ายก็ไม่ได้ใช้อีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเงินเยอะเหมือนกันพิธีกรรายการคค้นค น, คนดรวรธาหรือดออรอภิวัตรจบเป็นดรมาแล้วก็ตั้งเป้าหมายแกถามตัวเองอ่ะจะเลือกเงินหรือชีวิต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 นี่เราต้องเลือกแล้วว่าจะเอาเงินหรือชีวิตเจ้าอะไรเอาชีวิตใช่ไหมแต่คนจํานวนไม่น้อยนะต่อสู้ขัดขืนเพราะอะไรเพราะเรื่องเงินแล้วก็ตายถูกตัวมันยิงดตัวมันแทงตายเวลาเราตอบเราตอบได้ว่าว่าจ้าชีวิตนะแต่เวลาในมอในความเป็นจริงเนี่ยขัดขืนต่อสู้เพราะว่าลึกๆก็เสียายเงินคนเราจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะ